ก็ขออนุโมทนาครับกับคุณโยมและที่ได้นำเทีมาไวายในขวัดการแต่เป็นที่บอกเป็นกิจลึักใช้ประโยชน์ในการศึกษาในการใช้งานาจากแต่ละประโยชน์กันแล้วก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในการที่จะฟังคำสอนในทางนี้ก็ คืโยมาอารกในการศึกษาโดยเฉพาะการเจริญพุทธานุสติคําว่าการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะคําว่าอนุสติเนี่ยเขาหมายถึงการมีสติะระลึก อ, อยู่เมืองๆฉะนั้นคําว่าอนุสติเนี่ยท่านแยกไว้เป็นสองบทก็คือคําว่าอนุบทึงกับคําว่าสตินั้นบทหนึ่ง ที่นี้คำว่าอนุเนี่ยแปลว่าเนืองๆหรือจะแปลว่าบ่อยๆเลยส่วนคําว่าสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ฉะนั้นถ้าหากว่ามาสวดพิีการเข้าแล้วเนี่ยก็แปลว่าธรรมชาติมันเป็นเครื่องระลึกถ้าจะอธิบายให้ตรงความหมายก็หมายคําว่าเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกได้ชื่อว่าสติ พรมีการเข้าถึงความดีที่ตนจะทำแรงแล้วก็คืนกระทำเช่นมีการเข้าถึงคุณเข้าถึงพุทธคุณเข้าถึงพระธรรมคุณสารคุณเป็นต้นเนี่ยด้วยความไม่หลงลืมที่โบราณาาอาจารย์เขาแสดงไว้ที่บอกว่าสารณ ะ, ะสติสัมโมโสแปลว่าความระลึกได้ชื่อว่าสติก็ได้แก่ความไม่หลงลืมหรือ อีกในหนึ่งก็คือสังติเอาตายาติสติก็แปล ว, ว่าบุคคลมีการระลึกได้โดยอาศัยธรรมชาติฉะนั้นวุเหตุนั้นธรรมชาตินั้นน่จึงชื่อว่าสติทีนี้เวลาเราจะเจริญพุทธคุณเนี่ยคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นอุปก า, าระสําคัญที่สุดก็คือการเจริญสติการอบรมสติประพูนกันเลยก็คือการร ะ, ระลึกเรือ ง, อ ง, องน่ ดังที่ได้ ก, กล่าวไนวะ้ถ้าหากว่ามีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าพุทธาลุสติทีนี้วิธีระลึกถึงพุทธคุณเนี่ยโดยส่วนมากเราในฐานะเป็นชาวพุทธกันอย่างนี้ยเราก็จะสาธยายกันนะแต่โดยมากโดยรายละเอียดจริงๆเราก็เกิบกันไม่ได้ค่อยหมดทีนี้การที่มีสติการระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีวิธีการที่จะระลึกเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาไทยก็ไดคือถ้าใครสามารถเข้าใจภาษาบาลีก็ใช้ภาษาบาลีเลยแต่ถ้าหาว่าไม่เข้าใจภาษาบาลีก็ใช้ภาษาไทยเลยหรือถ้าหาว่าเข้าใจทั้งสองภาษาก็ใช้ภาษาบาลีแล้ว่านึกคำศัพท์ภาษาไทยอย่างในบทคุยตคุณทัานเก้าที่เราสาธยายแล้วก็สวดกันบ่อยๆนะนี่นะอย่างคาว่าอิติปิโสปะคะวาแม่พ่อเหยนี้นะ ถ้าผู้มีบารมีเจ้าพระองค์นะประ า, านมะัเป็นเป็นป้าระานนี่เป็นผู้ไกลาจากกิเลส้มอมทั้งวาสนายิ่งเด็ดขาดสำมาศมุทโธก็เป็นผู้ตัดสู้เยียวยาธรรมได้เป็นตัวเองวิชาญาณธรรมปัญญาก็ถึงพร้อมด้วยวิชาและก็ญานะสุขโตก็เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิถูก็เป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสามคือสังขารโลกสัจวะโลกแล้วก็โอหังสังโลก จนอนุตรรตรโลกุลิศธรรมมาสารถิกระทรงเป็นสารถิุบุรุษชั้นเยี่ยมไม่มีบุคคลอื่นยิ่งไปกว่าศรัทธาเดว่ามนุษย์ น, นั้นก็ทรงเป็นาศาสตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลังพุทโธก็เป็นพูทธตัททรู้อริยสัจคือตัททะรู้ทุ่งโดยการสำหนดรู้ตัทรู้สมุทัย้วยการละตัททะรู้นิโรธโ ด, ดยการทำให้แจ้งและตัททรูม้มัทโดยการเจริญ น, นีีพุทโธ จนพัทวาก็เป็นคู่จําแนกธรรมและที่เชื่อพัวาก็เพราะว่าเป็นคู่รประกอบด้วยบุญหกประการเนี่ยฉะนั้นเราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพัทวาพวาัวก็คือพระพุทธเจ้ามีบุญมีหกประการบุญหประการของพระองค์ก็คือหนึ่งอิสริยะหมายถึงเป็นคู่มีอิสเริยะคือความเป็นใหญ่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นใหญ่เนี่ยไม่มีใครเท่าพระพุทธเจ้าคือประการที่สองคือธรรมะ ได้แก่โลกุตละธรรมเจ้าก็คือมรรคสีผลสีแล้วก็นิพพานอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นบรรลุโสดาปฏิมาโสดาปริผลสกาตาธรรมีมาสสกาตาธรรมีผลอนาคา ม, มีมาพนาธา ม, มีผลและอาณักรมาพนาธรรมตผลส่วนประการที่าสามคือญาตสศาสหมายถึงทรงเป็นผู้มีชื่อเสียงแผ่กระจายไปทั่วในหมู่มนุษย์และเอวดาทั้งหลายสี่น ห, หมายถึงทรงมีผิวพรรณเปล่งปังลดงาม เขายกว่ามีสิบมงคลชวนดูไม่น่าดูคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหมหาโพธสาระขนาดสามหรอสองประการและเรามีอ น, นุภยาชนะอีกแต่งเาบอกว่าถ้าหากพระมงดูรูปของพุทธเจ้าเนีนยจะไม่เบือ่อเลยจะมองเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่เบื่อถ้าในสมัยพระพุทธกาลเลยนยบางทีเนี่ยพระองค์พระพุทธเจ้าเหมือนนั่งทรงนั่งนิ่งนิ่งุสาว ก, ก็ทรงนั่งนิ่งนิ่งสาวาาวทักเก็นั่งทําอะไรนะ เขาก็นั่งเพ่งพระรูปของพระพุทธจเจ้าก็ลองคิดดูว่าขนาดรูปภาพที่เขาวาดมาให้เราดูในยุคเนี้ยตลอดถึงพระพุทธรูปทั้งหลายที่เรามองยังไงก็ไม่เบื่อเลยถ้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปดูพระพุทธชินราชดูยังไงก็เงามีนีเ่เป็นตนะอันนี้ขนาดว่าในยุคเขาบอกว่าพระพุทธชินราชก็เทวดาซ้ำงงงามถ้าไปดูกงงามจริงนะการนั่งเพ่งชั่วโมงหนึ่ง ไม่เหลืออท่านที่ผมบอกให้เห็นชัดว่าทำงานนี่เราเท่ารูกจริงๆของพระเจ้าแล้วนะ่ะงานกว่านี้อีกหลายพันเท่าทนี้จักคูวิญญาณของพวกเราบรรพุนไม่ถึงเงือนเข้ามีโอกาสคนที่เขามีบุญถึงก็าพาเราบรรลุได้เห็นได้ดูได้ฟังเขาก็คคได้บุญกันเรามาจุดแตสุดท้ายตายหลังก็เออพยายามศึกษาคาสอนกะตามพระพุทธเจ้าเป็นไปลักษณะนี้ แลตะตปการต่อมาคือการมัหมายถึงความสําเร็จประโยชน์ทุกประการเพระพุทธเจ้าเนี่ยหวงอะไรและสาเร็จสมสำเร็จประโยชน์คือถ้าเขาคิดว่าเออเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นหรืเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นมไปอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆคนที่คิดอะไรแล้วสมความปรสะสงค์เนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าคนเขามีบุญใชคือเขาต้องมีบุญอะไรก็ถึงว่าคิดพุบแล้วต้องสำเร็จประโยชน์ทันทีเลยแต่ว่า ให้สังเกตดนูนะว่าวิจิตเนี่ยเกี่ยวกับความคิดของเราท่านทั้งหลายเวลาเราหึงรูปอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าบอกว่ากุศลจะคูณยานเกิดขึ้นนะในใจของเรา เ, เนี่ยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบุญมันในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีรูปที่เป็นอติจิตาลงแบบเป็นร ะ, ะ, รระ ด, โโนดับพระรูปของพุทธเจ้าในมโนกาลูถ้าคนยุคก่อนก็มีเนื่อความตาสนาเหมือนกัน ประการสุดท้ายหรือปัญญาต่างหมายถึงภวิยบาบาลมีทรงมีความเพียนทั้งกรรมวันและกรรมคืนผมสังเกตเรื่างนี้เนี่ยพูดถึงด้านความเพียนของมุขเทวะธรรมตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์น่ยเคยมีสักชาติหนึ่งที่พระโพธิสัตว์บอกว่าโองไม่มีเลยนะพระ อ, องค์จะเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นตัวตั้งแล้วก็จะเพี้ยนไปยามไปแล้วก็จะตั้งไว้ในกระแสจิตว่า ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือถ้ายังไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่ฉะนั้น ก, การปริยัติตรากของพระ อ, องค์พราเดชพระวิเรศประรมีเนี่ยมีความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ทอดหยอย่างเราท่านทั้งหลา ย, ยเวลาจะเพียรก็เพียรได้ระดับธรรมาเลยอยยกตัวอย่า ง, งเช่นนะถ้าบอกให้เราไปนั่งสมาธิเราาาเียนทั้งวันทั้งคืนไม่ไหายเลย พนไม่นั่งได้สักพักหนึ่งไอ้ความเพียรที่เราตั้งใจก็จะแม่เลยแทะถอดยบางทีบางคนที่ไเขาใช้โทคเลยนะคนโบราบอกเอาะใช้จุดโชคพอว่าถ้าโชคไม่หมดดอกนี้เาจะไม่ยอมลุกขึ้นยเลยมองโชคไรู้กี่สิบครั้งคือมันไม่หมดสักทีแค่ตรงนั้นเละอันนั้นบอกว่าความเพียรในระดับเราทั้งหลายเนี่ยทาไมเราเพียรไม่ถึ ตรงนี้เราบ่วมวิริยะมันยังไม่พอนั้นคนที่เขามีความเพียนาาระดับแปลงได้ถ้าเขาทํางานทางโลกเขาก็มาเสีความรึเปล่ก็ไม่ต้ออะไรครับถ้าเพียนคิดเนี่ยไป้โจรมันยังเขาเป็นนเปีนความรึเาเออประส บ, บ, บ, บประสประสบความรึเปได้น่าขาดพวกโจร น, นี่นะขาเพียนในการทําชั่วนี่มันยังท้องมันนักจนนะแต่ถ้าหาในที่นี้ท่านหมายถึงความดีฉะนั้นการเจริญ การ ม, มาฐานเมื่อราลึกไปในบทพุทธคุณขั้นเก้าบทแล้วเนี่ยก็ยเียนตั้งแต่ต้นมาจนถึงบทสุดท้ายเป็นไ ป, นปนทางนั้นทันักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเยเลยพุทธคุณทีนี้คําว่ารากันนะเนี่ยพระพุทธพระพุทธคุณเนี่ยเป็นรักันนะก็ตามทำอาคุณก็เวราชัณหาทำคุณก็เวลาตัณหาท่ ทีนี้รัตน์เนี่ยอันแรกมันมีวิเจรนายเป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณมีค่ามากน่าชื่นชมน่าเป็นที่น่าดีดีและต่อหาได้ยากนั่นเป็นสิ่ที่เหมาะกับบุคคลพิเศษฉะนั้นมหาศพชนทั้งหลายก็พากันแสวงหารัตน์นะทีนี้ธรรมดารัตนะมันมีอยู่สองอย่างคือรัตนะที่ไม่มีวิญญาณและก็รัตนะที่มีวิญญาณ รัตนะที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณก็คืออะไรคนที่เขาแสวงหาเัินก็คือแสวงหาเงินแสวงหาทองแสวงหาเพชรพลอยแล้วก็แก้วมันมีอื่น อ, อันนั้นเป็นรัต น, าท น, านาะที่เขาเจริญในแล้วมีก็แส่เแสวงหากันไหมทีนี้ส่วนรัตนะที่มีวิญญาณก็ได้แก่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกนะับอินทรีย์ทั้งหลายคือสิ่งที่มีชีวิตถามว่ารัตนะที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณนั้นจักว่าเป็นเครื่องใช้และเป็นเครื่องประดับของรัตนะที่มีวิญญาณถามว่า รัตนะที่มีวิญญาณคือรัตนะที่มีชีวิตเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนื่องจากเรเป็นลักษณะกับรัตนะที่ไม่มีชีวิต mm. พวกแก้แหวนเงินทองอันไหนประเสริฐกว่า <kho>! ก็ต้องบอกว่ารัตนะที่มีวิญญาณมีประเสริฐกว่ารัตนะที่ไม่มีวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยพวกแก้แหวนเงินทองก็เอามาประดับตนะดาตกแต่งสิ่งที่มีวิญญาณหรือเอามาประดับประดาตกแต่งรัตนะที่มีวิญญาณทีนี้ เัจยารัตนที่มีวิญญาณมันมีอยู่สองประการคือเดราัจ า, า, านรัตน์และก็มรดเสียรัตน์เมื่นเดราจฉานก็เรียกเป็นรัตา น, านนะ์เช่นช้างมงคลเนี่ยช้างผู้บ้านผู้เมืองทศใหม่ทศใม่พระเวสันรก็เรียกว่าช้างปัจเจยนาชีของพะเวสัดนดรธรรมามงคลก็สมัยพระพุทธเจ้าของเราก็คืมาน ก, กมมาบีตทุกยุคทุกสมัยแม้นนในปัจจุบันก็มีนะช้างเผือก ที่อยู่ในรั้วในวังเนี่ยที่เขาไปจับมาเลี้ยงมาดูแลก็ไว้อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นรัตนะเวรัจานรัตนะฉะนั้นช้างโมงคลม้ามงคลทั้งหลายทั้งป็ต่างเหล่านี้เป็นเดรัานรัตนะเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องใช้สอยของมนุษย์ทั้งหลายโดยตรงด้วยเหตุนั้นในบรรดารัตนะทั้งสองประการนั้นเนี่ยมนุษย์ย่ารัตนะจึงป็ะเสริดกว่าเดรัจานรัตนะมองออกไหม แทนเดระจันเนี่ยธรรมนุษย์เนี่ยมต้องประเสริฐกว่าทีนี้ในมนุษย์สัรน้าก็แบ่งเป็นสองประเภทเป็นนาเรศรานะาคือหญิงที่ประเสริฐและก็บุรุษรัตนะากัชายที่ประเสริฐในบรรดารัตน้ทั้งสองประการเนี่ยถาว่านารีรัตนะเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมประเสริฐที่สุดซึ่งเกิดแก่พระเจ้าจักรพรรดิยมเป็นีิสตรี ผู้ควรบุญบรารมีของพระเจ้าเจ้าพระคู่เป็นบริบรูรณ์เลยเนี่เขาบอกว่าจริงๆระหว่างผู้หญิงกัผู้ชายเลนี่ยนาเรรัรตน์นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เกิดมาที่จะเป็นคู่บุญบรารมีของพระเจ้าเจ้าพระคูแต่ถ้าถามว่าในบรรดานาเรรัรตน์นาตบุรุษรัตน์าเนี่ยใครเป็นตัวเงินก็ต้องบอกว่าบริบรณ์รัตน์นาเนปเ็นตัวเงินแ้วถ้าไปพูดในปัจจุบันเนี่ย คนที่เขาถือชาตินิยมในด้านที่จรละลรณรงค์เขาไม่ยอนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นสมบัติของพระเจ้าเจ้าพักเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นคู่บุญบารมีของพระเจ้าเจ้าพักคือถ้าพระเจ้าเจ้รพักคุ้มหมดก็นารีนี้ก็หายฉะนั้นบุรุษรัตนะย่อเมอเกิดกว่านาฬิการัตนะในบรรดาปุรุษรัตน์ท่านจะแยกเป็นสองเป็นคาคาลิการัตน์ คำาอาชิกาลรัตนะเขาแปลว่าผู้คลองเรือนนาช า, าวิกาลรัตนะแปลว่าผู้ไม่คลองเรือนหมายถึงบรรพชิตถามว่าในบนรรดารัตนะทั้งสองประการนั้นสําหรับผู้ครองเรือนแม้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตรงนมัสการหรือกราบไหว้สมเด็แม้บวชเพียงวันเดียวนั่นก็พระเจ้าจักรพรรดินี่ น, นนะเห็นสมเด็จพึ่งบวชในวันนะนั้นก็ต้องกราบบนเบญญพระบิษด เขาก็กล่าวไปเป็นกานข้าพเดดด้วยเขากับกล่าข้อหกห้าหน้ผาผาหนึ่งข้อสองสองและวเข่าสองเนี่ยนะต่างเป็นจานทร์ข้ิพเเพราะฉะนั้นอาณาคาริการัชนะคือนัก บ, บวชก็มาเสริฐกว่าอาคาริการัชนะคือผู้ของมือแม้อนาคาริการาชนะท่านจะแยกเป็นสองคือผู้ที่ในกองเรียนเนี่นะแยกเป็นเสกการัตนะผู้ยัต้องศึกษาเพื่อการมรู้คุณธรรมยี่ยี่ขึ้นไปนี่หมายถึง พระโสดาบันประกาศทางพระอาหารและอเศคาราชนะผู้ที่ไม่ต้องศึกษาเพื่อคุณพิเศษยิ่งๆขึ้นไปนี่หมายถึงพระอาหารในบรรดาอาหารปรการัชนะตัวขอประกาศนาั้าานเนาี่ยเศคารัชนะแม้จํานวนตั้งแสนค น, นก็ย่อมมีค่าไม่ถึงส่วนหนึ่งแห่งอเศขารบุคคลเพราะว่าอาเศคารัชนาะย่อมประเสริฐกว่าเศคารัชน์สรุปคือพระอาหารเนาี่ย ก็ย่อมจะประเสริฐกว่าพระโสรา บ, าบารานันกษัตริย์ในพรนทีนี้ในอัศจรรย์รัตนนีในท่านแยกเป็นสองเป็นพุทธรัตนะาคือผู้ตระกรู้ได้ด้วยตนเองและสาวกรัตนนผู้ตระกรู้ต่ำในอัศจรรารัตนนทั้งสองอย่างนั้นสาวกแม้จํานวนพันแสนคนก็ย่อมมีค่าไม่ถึงส่วนหนึ่งของพุทธรัตนะาเพราะฉะนั้นพุทธรัตนนาประเสริฐกว่าสาวกรด้ทั ทีนีนพุธรัตนะทา่านจะแยกเป็สองแยกเป็นปัจเจกับพุทธรัตนะผู้ตัศรุเฉพาะตนไม่สามารถสอนผู้อื่นในตัศรุตามได้กับสัพพัญญูพุทธรัตนะผู้ตัสรู้ทั้งปวงและสามารถสอนผู้ อ, อื่นในตัสรุตามได้สรุปเพื่อว่าพุทธะเนี่ยพุทธรัตนะเนี่ยเขาแยกเป็นสองเป็นปัจเจกับพุทธรัตนะกับสัมมาสัพพัญญูพุทธรัตนะ พระปเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องบอกพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่ศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณว like ิมุติคุณและวิมุติญาณคัตสนคุณคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาอย่างถังเมเสีสองข่าแสงครับแต่พระปเจกับพระพุทธเจ้าก็สองมาสงข่ายนี่คือต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นรัตนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะหารัตนใดที่เสมอด้วย พ, พุทธรัตนคือสัพพัญญูพุทธรัตน์ย่อมเปมีในโลกท้อ ง, งนั่นเองวันฉะนั้นสัพพัญญูรัตน์ยิงจะย่อมเป็นอัญมณีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเย็นดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากมหาชนทั้งหลายตาา่าตงก็พากันแสวงหาสัพพัญญูพุทธรัตนะสัพพัญญูรัตนนั้งเป็นสิ่งที่เหมาะ สำหรับบคุคคลพิเศษและสมกับบคุคคลผู้มีใจอันประเสริฐคือเป็นผู้มีความเรื่องใส่ปัทธานในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราทั้งหลายที่มาฟังคำสอนกันเนี่ยนะก็ควรที่จะน้อมนึกพุทธรัตน์คือคุณของพองระ พ, พุทธเจ้ามาไว้ในจิตใจการมีพระรัตน์ตาคือพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยมาอยู่ในจิตใจก็จะทําให้จิตใจเราได้เกิดความเบิกบานเกิดความองใส เกิดศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเรในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในับีนสูตรในคำพี่สานยุตธนิการมีฐานว่าบอกว่าที่ว่าตปติอจิโยรจติมาอาปปจิจติมาสละโขกจิโยตัปติชาจีตัปติตรามโนอาชาปะพมาโหติงพุทโธตัปปติเตเจสาตาทิสาเตจสัมปันนงบุตังวนานสร้างขณที่บอกว่า ที่ว่าตปติอาธิโจรเนี่ยเขาบอกว่าพระอาทิย์เนี่ยย่อมมีรัศมีสองรหว่างรุ่งเรืองในตอนกลางวันเั้ะที่รัติมาอาอาติแกนติมาบอกพระจันทร์เนี่ยย่อมมีรัศมีสองแสงระว่างในเวลากลางคืนสรรทโขคติโยตปฏิบอกพระหมารัศจจะย่อมรุ่งเรืองวดนามเวลดาที่ทรงเครื่องศักดิ์สรทธิ์อาภรณ์อันรังสรรค์ที่สำนับพระหมายรัศรพยายามทรงเครื่อรัไประดดว้งามมากกวะหมายรัชาญีตปิรามโนพ้ะอาันรรุ่งเรืองในยามไหน อยาดีเข้าฌานสมาบัติอัฏฐะพุทธมโหตถีแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระมารดาศัตริย์และพรานเหล่านั้นเนี่ยย่อมรุ่งเรืองงดงามเป็นเวลานะยังไม่งดงามรุ่งเรืองอยู่เป็นนิดแต่อยา่างใดก็คือว่าน้าเป็นบางครั้งบางเราพระอาังเนี่เวลาท่านจะงดงามเลยท่านจะไปงดงามตอนที่ท่านไปเข้าฌานสมาบัตินั้นตอนที่ท่านอยู่ในฌานสมาบัติหรือออกจากฌานสมาบัติใหม่ใหม่ห หน้าตาองสัผิวพันก็ดูน่าสัตยาน่าน่าคุ้นใจเข้าใจไหมพอราชาหรือพระสัตรังงานตอนใสย่ทรงดูว่จะเป็นโอริบัตรถ้าในวันเฉลิมพระชนกพัรษาไปตอนใสชุดนะออกมาให้เราดูได้ชมอ้วนงามยินตอนนั่งบนแท่นบัรดาเรดูงามนี่ก็งามไปเลยละ พระที่จะงาตนตอนกลางวานันพระจทร์งกงาตนตอนกลางคืนก็เป็นเรื่องเรื่งเวลาเท่านั้นเองพุโทโธตปฏิเตชะ ส, ส่วนพระเดชาภาษีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในโลกนะ้มงดงามรุ่งเมืองทั้งกลางวานันทั้งกลางคืนพระคุณของพระผู้มีพระภาคนะั้นย่อมรุ่งเรืองปรากฏอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อไม่ได้เลือกเวลาในการที่จะงดงามเลยพระเจ้าอนยะ่มองเวลาไนงามเลยนะั จะมองเวลากลางวันก็งามเวลากลางวันมองเวลากลางคืนก็งามเวลากลางคืนมองเวลาตอนสายบ่ายข้าไปเนี่ยไม่มีนะว่าเวลานี้งามเวลานี้ไม่งามพวกเราเนี่ยเป็นแล้วอารมณ์นยเวลาไหนจิตใจสรใสก็ดูหน้าตาดีน่ารักน่าชมเดียวแต่ถ้าเวลาใจกดตนมาโอ้ดูไม่น่าดเห็นเพาเดียงามงามเป็นักๆนานๆจะไจะเห็น เขาบว่าบางทีไอ้นานๆมาเจอแล้วรู้สึกควรจะน้ำน้ำไแต่มาเจอแล้วทุกคไม่ค่องเงาเลยเลยเช้าจุดเยนไม่ค่อยเงาคือใจมันไม่ค่อยดีเพรใจไม่ค่อยดีก็เพราะจิตไม่ดีเลยก็ขับเคลื่อนจิตชั่ออกมาที่้ีทางกายกรรมกดีกรรมโนกรรมแสดงออกมาก็ไม่ค่อยดีหวันๆมันก็มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยสดใจไม่ค่อยสบายใจเหตุการอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะจิตของเราที่มันแล่นไปตามกระแส อารมณ์ต่างๆทางพัญจัตวาและวิถีเนี่ยใช่ไหมอารมณ์เท่ามรสุทางสวรรคาป่าปุ๊บาา ร, ระาบา ว, ารระวังปฏิสัมภาระระวังระวังคุปเจต้าพออาจารย์นาระวังคุปเจต้าทิ้งอารมณ์เลยพอทิ่งอารมณ์เหมือนคนหลับเนี่ยคนกาลังหลับหลับอยู่เนี่ยมันห น, น, ษษษษษ น, น, นีเหมือ น, นาามีใครมาสะกิดสะกิดขึ้นม า, า, า เ, เ, นนะเราตื่นขึ้นมาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเราเลยกับพันจัตวาและวจถีเนี่ยขึ้นมาปาววิถีนะแอบรู้ป่าลม จากหูยากททายาาระทําทัศนคติเห็นดูพาลมสัมปติชนะกระาำสัมปติชนะกิจสันติระานากระสันติระนกิจพวกทวนาอัตเสินอารมพิดรไอตอนตัดสิ น, น้าเรมอูสิบางทีมันอาศัยแต่ให้รู้เกจอยู่นะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นหน้าคนบางคน mm hmm. พอเห็นพวกบแคนไหนเราก็คิดปิดอยู่เลยคือไม่พอใจอยู่เลย mm hmm. ถามบอกว่าอะไรเราเป็นปัจจัยในการคิด นั้นวกธรรนันนีมนีปจนัจจัยแนวบิดมาเคื่อนนนอารมณ์บางอารมณ์บางเที่ยวเหุพุ่เี่ยมก็ตัดิ้นถูกนั้สตัดถินถูกแล้วก็เป็นปัจจัยแต่กุศลโดยแต่ก็มากเป็นปัจจัยแต่กุศลอันนี้คือเป็นบ่งบอกว่าทีนี้เมื่อจิตเราเป็นหน้ <c oughs> นกุศลให้จิตกระรูปการขับเคลื่อนเรามาในโอเอร์เอาเล่มันก็ทำให้สนหน้าเวลาาสาวบ่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ ก็อกว่าพระพุทธเจ้าเนี ceu, ่ยถ้าหยุดพูดอะไรพระองค์ก็เข้าสมาบัตรบางทีกําลังสนทนาก็บอกว่าสวกเนี่ยก็หยุดหยุดสนทนาพุ๊กเพียงคําเดียวเนี่ยอยู่ในสมาบัตรเลยบางทีอยู่ในสมาบัตรสี่ห้านาทีออกมาก็แสดงธําต่อเป็นอย่างนี้แหละท่านพุทธเจ้าเลยใช้เวลาอยู่ในสมาบัตรอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพระองค์เนี่ยร่ำรวยมาก จะอยู่กับสมา บ, บัตตลอดเวลาแม้ว่างไม่ได้ชั่วรยาวเวลาหนึ่งขนาจิตนี่เราเอาเลยเข้าสมาบัติอย่างเราเนี่ยถ้าบอกว่าในขณะที่ทําอะไรว่างหรือว่าขอคิดพล น, น, น์อะไรเยอะคิดเรื่องโลกบา้งโกรธบ้างหลงบ้างเลยชั่วเราไม่ได้มีคิดว่าช่วงที่ว่างไปไหนเหจเริญอาณาพันธสติบ้างหรือเจริญพุทธคุณเป็นต้บ้างใจเราไม่ได้น้องขนาดนั้นแต่คนที่เขาฝักใฝ่อยู่ในกรมฐานเนี่ย แค่เขาหยุดสนทนาพุ๊บเนี่ยใจก็เป็นไปกับรรมฐานหนึ่งถ้าทําได้ขนาดนั้นไม่ธรรมดาเลยยังเพราะพออยู่กับกรรมฐานพออยากจะสนทนาหน่อยก็ออกจากกรรมฐานเข้าไปสนทนาก็เหมือนทางในสมัยก่อนๆที่วัานี้บนมาอยู่ในบ้านในเมืองแกไม่แกไม่มองไม่มองเกินช่วงระยะแห่งเลยสายตาเขาพอนล่งตา ถ้วแกเขาจะพูดอยู่คาเดียวนะเขาบอกเขเนี่ย เ, เดี๋ยวเขาจะไปดินจะมาเ้านี่ยท่าน็ขาเลยท่านก็เลยพูดดับวขาเลยจ เ, ลย จ, เลยจริญพรเจริญพรใช่หมโดยพถวายพระพรขอถวายก็พรไหมนั้นจะเป็ น, นประชาชนธรรมดามาท่านะพูดต่คำนี้นนคนเขามองดูโอ้โหคือใจท่านไม่ได้น้องมาใส่ใจในอารมณ์ภายนอกเลยลักษณะนอย่างนี้ก็ได้รอกจิตใจขงองท่านเหล่านั้นฝากไว้ไม่ได้นั ฉะนั้นการจเจริญพุทธาพุทธคุณเนี่ยดังที่ได้กล่าวว่าเพราะผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถามว่าเป็นผู้ที่มีความรุ่งเรืองทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกระยะเวลาเนี่ยด้วยความที่พระพุทธคุณมีอนุภาพมากมายอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นถ้าเราจะสังเวลานา บ, บทพุทธคุณเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะต้องตั้ง พุทธะคารวะตาคือความเคารพความสนับแนนในพระพุทธคุณคือว่าเพื่อจะได้เป็นผู้มีจิตใจอันแน่วแน่ให้ความสำคัญและตั้งใจในการกระทําความเข้าใจในพุทธามนุสติเพราะว่าการศึกษาพุทธคุณเนี่ยถามว่าพุทธคุณเป็นของสูงไหมเป็นของสูงเป็นของสูงที่บอกว่าเป็นของสูงนั้นกว่าที่จะมีรูวพ่อพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าจำจังสมบาติมีวิเศสงไข ย, ยิ่งเปอร์เซนครับฉะนั้นในบทที่เราศึกษากันเนี่ยเยผู้ที่ประกอบด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนจตานาตจะเจริผพุทธานนิสิในการที่จะนวงเหนียวเอาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากระทำให้เป็นอารมณ์เนี่ยก็ต้องอแสวงหาสถานที่ที่เหมาะ เวลาเราจะเจริญพุทธคุณนี่นะถามว่าสถานที่ยังไงเหมาะสม อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเลยลงอุโบสถหรือไปสถานที่พระเจดียทั้งหลายที่ตรงนั้น เ, นเป็นสถานที่ที่ควรจะเจริญพุทธคุณควรจะตะนักในคุณหลวงที่เจ้าทีนี้จะไปจะขยายความในบทที่เราสวนกันในบ้ากเราจะบทว่าเราจะสอนอิติปิโสพะขาวาเนี่ยคำคเนี้ อิติโสภะทวารเแปลว่าเพราะเอกนะพระพุทธมีพาะแท้พองค์แล้วก็บอกอ่านนังส่งเป็นพระอ่านเป็นผู้กายเย็นเย็นฟ้องนึกว่าศาสนาเย็นเย็นกันคำว่าโสภะทวาเนี่ยเขาแปลว่าพระพูทธมีพระแท้พระองค์นั้นบทว่าโสแปลว่าพระองค์นั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าคําว่าโสคําเนี่ยนะได้แก่พระองค์นั้นเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงพระพุทธองค์พระองค์ได้ทําอะไร พระพุทองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทักษ์ทำว่าบารมีได้แก่คุณสมบัติในความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นเครื่องบ่มบ่มอะไรบ่มสัมมาสัมโพธิยาสัมมาสัมโพธียาเนี่ยต้องบ่มเนี่ยวิธีบ่มของท่านเลยคือว่าการสั่งสมการอบรมเนี่ยฉะนั้นทำมาเป็นเครื่องบ่มสัมโพธิยาให้แก่กล้าจนถึงความสำเร็จเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่จะกระทำให้บรรลุ ถึงฝั่งก็คือการอธิษฐานบารมีธรรมเหล่านั้นประกอบด้วยทานบารมีสิ่งบารมีเนคขมารบารมีปัญญาบารมีวิญญาบารมีสันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานในบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีในบรรดาบรมีแต่ละบารมีนั้นเนี่ยท่านก็แบ่งเป็นสามระดับเป็นชั้นต้นเขาเรียกระดับชั้นกลางอุปบารมีและชั้นสูงสุดเขาเรียกปรมัตถะบารมี เช่นทางบารมีการบริจาคสิ่งของภายนอกมีทรัพย์สมบัติและบุตรที่ดาวเป็นต้นส่วนการทางบารมีอะบรบริแต่ว่าถ้าเป็นทางบารมีก็บริจาคสิ่งของบริจาคทรัพย์สมบัติและบริจาคบุตรภรรยาอันนี้ก็จะคเราเป็นเป็นทางบารมีเราคงพูดถึงในเรื่องของทางบารมีมีคนคนหนึ่งก็มาถามพท่านอาจารย์ว่าถ้าเขาเบื่อ เบื่อเมียก็รเบือเนี่ยก็จะเขจะบริจาคเนี่ี่เป็นทางบรมีนด้ไหมเป็นแน่เอยากจะทิ้งนี่ยอหัวเือแล้วก็วนเดีนรู้เนี่ยองเาอยากจะทิ้งไปไปคอร์สจดทะเบียนยาใชะมเรจะทะเบียนรสรเส็จวจะทะเบียนยาอันนี้อันนี้ไม่จัดนะที่ที่ที่ไม่จากไปคอรอะไรกไม เพาว่าจะเป็นทานในบรารมีเนะี่ยต้องบ่งบอกถึงตัวเจตนาเจตนาที่จะสละับที่จะให้แล้วของสิ่งนั้นจะเป็นของดีด้วยของที่เรารักเราเหวงแหนเราปลาทั้งหนังจเจ้าไม่เหือนรพ ร, รนะโพธิสัตว์ตนนวนเนี่ยบริจาคภรรยาเนี่ยนางมาสี่วิถีตอนเราเนี่ยบริจาคบุตรบุตรเนี่ยให้กับชูชงเนี่ยคือเจตนาที่จะให้แต่ของดีๆเนะี่ยไม่ได้จาให้ของไม่ดี เจตนาเข า, ามีเจตนาจะทิ้งจะะเจริญอย่างนี้ไม่เรียกไม่เป็นปาบารมีเลยแถวนีเป็นความไม่รับผิดชอบอย่างนี้ชือกับความตายความเสียหายก็เป็นอย่างนี้นะส่วนอุ ป, ปาบารมีเนี่ยก็คือบริจาคอไวเ้เดี๋ยววะมีการบริจาคดวงตาบริจากเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยวันก่อนจะไปฟังหมอเขาเป็ น, นยังเขาบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยสามารถ บริจากเอาไว้วะช่วยควนได้ถึงเจ็ดคนนะคนหนึ่งเนี่ออยถ้าเอาไว้วะเอาคนคนหนึ่งช่วยเหลือแต่ถ้าหาอเซลล์ขอผิวหนาอะไรต่างๆเป็นต้นแบบนี้ช่วยคนได้ถึงห้าสิบคนจากคนหนึ่งนี่าาออนะฉะ น, น, น, น, น, น, นั้นผมบอกเขาตึงจนมาลงเลยเลยกันว่าการบริจากหากักงานไอดีดทีนี้ไอป โดยมากเนี่ยอย่างเช่นพวกเกิดอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยไอ้สมองตายแล้วเนี่ยสมองตายแล้วไม่มีโอกาสเจ็บป่วยแล้วเนี่ยพวกญาติญาติเขไม่ยอมบริจาคเพราะไม่ยอมบริจาคให้พวกรวงตาเลยพวกตาตาตเลยพวกปอดเลยพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะเพราะไม่ยอมบริจาคใช่ไหมมันก็ไปเผาไปทิ้งดีๆนะหมอทีนี้บางคนไปบริจาคให้ผออยู่เสียไกลเลยมีอยู่ลายหนึ่งเลยอยู่ทุ่นจังหวัดลุมบุ หมอตนั่งต้อบินมานี่แล้วควาเครื่องมนตายเลยใช้เงินการบริจาคมาดูที่อยู่ที่ตรงใจตนนะอ่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ทำการบริจาคก็เป็นยืนความจำลองต่อทางโรงพยาบาลแล้วก็อย่างนี้เป็นบุญเลวส่วนเราตายไปแล้วก็อยู่ที่คนมีชีวิตอยู่เขาดาเนินการต่อ อันนันการมริจาคความเมตาเป็นอุปปาลามีส่วนทานนั้นปรมาจรรบารามีก็หมายถึงบริจาคชีิตนัพบริจาคนี่ทํางหมาทั้งสองทั้งสามประการทั้งทานนบาลามีทั้งทานนนอุปปารามีและทานนนปรมาจารบาลามีสินก็เนันสิบารามีสินอุปปารามีและสินปรมาจารบารามีเนี่ยการรักษาสินเนี่ยนะรักษาสิลอย่างอุกฤษก็รักษาไปแล้วหรือยอม ให้เขาตักเอาเยวะไปอย่างเราท่านต่างสมมติสมาทานวันท้าสมาทานสิบแปดทาหมองก็าิทบอกบวคืเนี่ยถ้าไม่กินข้าวตอนเย็นเดี๋ยวไปรอบก็เพาะหรือทันทีเลยนะเราจะเอากระเพาะไมเอาสีบมงคนเอาสิเอาไว้ก่อนเนี๋ยวยิ้เชื่อหมอแล้วเี่ยผลตามมาเยอะเลยบอกว่าเราจะเชื่อหมอแล้วเราจะรักสารสีได้ดีกว่านี้แล้ว แต่ถ้าวิธีคิดของเขาบริษัตทเด็กท่านเอาสิอย่างเราก็ยังอาชีวิตเอาร่างกายแต่ถ้าสูงสติจริงเนี่ยเราถ้าว่าถึงขนาดรักษาชีวิตเพราะบริษัตทก็รักษาชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเี่ยเขาเรียกว่าทั้งสามสิทธะเนี่ยเขาเรียกบาลมีสามสิทธะเป็นเปี่ยมแล้วเนี่ยทรงหัดทําลายกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็ตัปะรู้สัมมาสัมปวิยาณญาณียมพิโพธิบุญนา จิงจองเป็นเทพที่งกวเทพเป็นพรงยิ่งกวพรอเป็นที่เพึ่งนของหมู่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ทรงจิตติสั์อันแผ่กระจายไปทั่วฉะนั้นคำว่าพระคาวะเนี่ยเป็นคำยกย่องของพระบมะรมศาสดาเป็นคำที่เกิดขึ้นเองนะจำแนงนะ บอกว่าคำคนี้ภาษาทีบุบอกว่าคําว่าพัทวานี่ไม่ใช่พันนามที่พระเชนรพัชจรานีทรงเป็นผู้ตั้งเลยแค่คำว่าพัทวาเนี่ยเป็นพันนามที่ได้จากการตัตะรุสมารสมุทริยารู้เท่ส่วนคําว่าอิติเนี่ยมีความหมายเป็นเหตุใกล้และเห็นได้โดยประจักษ์ส่วนคาว่าปิตากมีความหมายว่รวบรวมซึ่งเป็นการแสดงภาวะที่พุทธคุณเหล่านั้นมีอย่างมากมายอิติปิตินย ปีนแีแปลว่าโรูดุบอกโอ้โหพุทธคุณมีมากคุณของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราจะตามเราเลื่อนถึงคุณของพทะเจ้าเขาพูดกันยังไงเขาบอกว่าถ้าเรามีมีปากเนี่ยถ้ามีปากอยู่ร้อยปากแต่ละปากมันมีมีอยู่ร้อยลิ้นแต่ละลิ้นมันไม่ได้ทำกิจอย่างอื่นเลยพัรณาพุทธคุณคือคุณของพระเจ้าเย ตั้งแต่เช้าจะบทเย็นเช้าจะบทเย็นเนี่ยจนกลับมีสิ้นไปก็ยังามาลนาคุณของพุทธเจ้าไม่ช่ฉะนั้นคุณของพุทธเจ้าเนี่ยมากมายจริงๆว่าทำไมมันมากมายขนาดนั้นเรานับอย่างนี้ไมไมยววิธีคิดแค่กลับเดียวเนี่ยเขาบอกว่ารึสิบหกกิโลเมตรกว้างสิบหกกิโลเมตรร้อยเอียมเมตรงานทิ้งลงไปเม็ดหนึ่งร้อยเปียเม็รงานทิ้งลงไปเม็ดหนึ่ง จนเม็ดนาเต็มหลุมนั้นน่นะอันนี้ขึ้นได้คับอันนีสีอาสองขายดีด้วยแสนกับที่พระพุทธเจ้ารงเหน็เหนื่อยเนี่ยนะให้ดูภาพถนนถ่าตอนที่ว่าตเป็นสุมเม ธ, ธาาบุตรเนมปะัน่นาะเริ่มหลับนหนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกฉะนั้น ต, ตอนที่เป็นฤาษีเนี่ยนะเป็นสุมเม ธ, ธาาบุตรเนี่ยเห็นชาวบ้านเขากลังเกลี่ยทำถนนเงีย เพื่อจะต้อนรพระพุทธเจ้าพระดีปังกรนสมมาหลรงรัจ้าลพรอมไปพิสูจน์ตรงหนึ่งแสท่านออกมาเนี่ยได้ใช้ได้สมาบัตเนหมได้กินยาได้สมาบัตรเสร็จแล้วสมาบัตแพอหอกมาเสร็จเสร็จเห็นง้อยก็ทาเลยพอได้ยินเขาก็คุโทรัพท์ว่าเลือดเขาเกลี้ยทัานถนนต้อนรับพระพุทธเจ้าก็ขอที่เลยตอนนี้ไม่ได้ใช้อีกที่นี้เลยใช้นังเสือนะไปขุด คุยเอาทีแล้วก็มาเทมาเทเอาอย่าเวทนาเส ด, าเด็พระุธเจ้าเสด็จมาแล้วท้องร่างที่เหลือตรงนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวผ้านอนขอให้พระพุทธเจ้ามันเหยียบพร้อมที่คือสองเหยียบข้ามไปแล้วก็ตั้งจิตปราณหนาบอกว่าด้วยการกระทําเอาชีวิตเป็นเดิมพันนยในครั้งนี้ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตฉะนั้นในชาตินั้นเน่ยถ้าท่านท่จะฟังธรรมเนี่ยฟังสี่บาตรคาถาได้ไรู้เลย ส・ุ้ยสมุทตสุพุตปังบอกว่าถ้าจะฟังคาถาบอกว่าเยตมาเยตุปปะปวะเทสันเยตุงตถาคตโตอันเทสันจายโยเยโรโตจ่าเังวารีมารสุโรสุพังแค่นี้จะได้เป็นพระานุแต่ไม่เอาเลยสลากทิ้งอาตมาอาตสมุปแต่มาคนทุกข์ทรมานด้วยการปราศนาเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ากขแยบแลโอดแล้วก็ชี้ตัวเนี้ยนอนเลือกพุทธทางบุตรต่อไปอีก สี่สอทายยี่เมษแสนขับเจตบสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าสมณะภูมิแล้วพระพิจารยณยาอีกเรื่องหนี้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆในการใครสักคนหนึงที่จะปราณนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บ่งอย า, ายามไปสร้างบา ร, รมีเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าเนยถามว่าถ้าแค่คนเองก็บรรลุแต่ท่านคิดว่าคนเช่นเราถ้าจับบรรลุเนี่ย ก็ถึงกลาณาบุคคลรือมาลุงด้วยถ้าจะข้ามก็ให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยถ้าตนินจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะต้องการเทียจะผลัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารถ้าความคิดที่ยิ่งใหญ่ระดับอย่างนี้ยเป็นความคิดของพระโพธสัตว์ถ้าตั้งจิตปรานาแล้วเนะีลยไม่ทอนะ้อะถึงจะมีอุปสรรคอย่างไรก็ไม่ทอ้อมีมีรักษาอย่างนี้เนะี่ยฉะนั้นคาว่าอิทิยุโสภาวา่าแม้เพราะเหตุนี้ แม่พ่อเหตุแห่งทางบรารมีศีลบรารมีนิคัมมาบารมีปัญญาบารมีเป็นเจ้านี้นะแม่พ่อเหตุ น, นี้เนี่ยที่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะถามว่าพ่อเหตุอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องก็ต้องอ้างก็ต้องทำความเข้าใจว่าตรงนี้เองะแม่พ่อเหตุ น, นั้นพระผู้มี พ, พระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้เพราะเหตุแห่งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเป็นต้นมันเองทิ้งได้นานทิ้งได้เหียวกระเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้วิธีการจเจริญพุทธานุสติเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นคําว่าอัลลาหังเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยในหลักคําสอนเนี่ยนะท่านขยายไปสืบเสกความหมายเนี่ยคําว่าอัลลหังตักเดียวเนี่ย เช่นคําว่าอักรหังเนี่ยก็แปลว่าเป็นผู้ไกลจต่กิเลสทั้งหลายท้อมทั้งวาสนาสองคำว่าอัรหังก็แปลว่าทําลายธาตุคือกิเลสเพราะว่าคือแต่ความเสเียหักสามอัรหังก็ทําลายที่กรรมแห่งสังขารจักก็หมายถึงอภิสังขานมีปุญยาที่สังขารเป็นต้นเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าทําลายที่กรรมเหล่า น, นี้ได้อยังงูสี่ เป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยและสักการะทั้งหลายห้าไม่มีความรักในการจะคำปราบซึ่งต่างจากคนที่มีวีเลยทั้งหลายประการที่หกอาทหารก็ถือว่าความเป็นผู้ไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อรบรมปัญญาและผู้ไม่ได้ละนาคาพระโตสาระโมห์ ผู้ไม่ฉลาดในธรรมไม่รับการแนะนำในธรรไม่เห็นธรรมของพระริยเจ้าปฏิบัติผิดและไม่ปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากชนเราถูกเป็นอย่างนี้นะครับว่าอันตรานี้ประการต่อมาคือเป็นผู้ใกล้ใกล้กับบุคคลผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาฉลาดในธรรมได้รับการแนะนําเห็นธรรมของพระริยเจ้าปฏิบัติชอบและทรงเป็นผู้อยู่ใกล้ต่อตนเหล่านั้นแต่ตัดีละบาปประท ละลาค้างละโทสัรละโมหะวยความเสียหายในพิธารธรรมและสัปปะพพารยาภที่เป็นฆาตสุดต่อพระนิพพานเก้าก็เป็นผู้ท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเว้นคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยผู้มีประโยค้าบริสุทธิ์ทั้งหลายมีอัคยาสายนานทั้งหลายไม่ทรงละเว้นซึ่ซงก็คือไม่มีการไปในภกทั้งหลายไม่มีการไปในการมาภพเพื่อภพไปดูภพเพื่อต้น สิบเอ็ดก็เป็นผู้คนสรับสนุนตรงนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องไปทำความเข้าใจคําว่าอะไรเออลองมาทําความรู้สึกอย่างเราไน้บ้าไหมเออเราเราก็ท่องกันมานานเนี่ยคาว่าอาหารเนี่ยแต่โดยมากเราก็อยู่แค่ตับเดียวเนี่ยแค่เวลาเราจะเลยพุทธคุณก็เลยเลยไม่ค่อยท่องเพอไม่ได้ไปเราหรือเ่าเอออาหารนี่มีอยู่สิบเอ็ดข้อหมายเนี่ยเลยคิดเป็นอะไรนั่นเยะประการแรก คำว่าอารังเนี่ยนะทรงเป็นอารังเพราะความที่ทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้องทั้งวัดสมทั้งหลายพรผู้มีวรพาเนี่ยนะเรียกชื่อว่าอารักขาคาว่าอารักขาเนี่ยก็แปลว่าปู้กลคือทรงดำรงอยู่ในฐานะที่ไกลอยู่แสนไกลจากสัพพากิเลสทั้งหมดคือไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากเมตตา การดับทิฏฐิมานะพฤติอิชาหรอพิการนั้วเราจะปักอุทเชจเสรเราก็มาพิจารณาดูระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าถามว่าราคะกับเราไม่ใกล้กันหรือกกลเจริเอิญเรื่องตมนั่งคิดว่าเราเป็นผู้ใกล้ราคะเนี่ยเราไม่ใกล้กับโทสักเราไม่ใกล้กับโมหะแต่พระพุทธเจ้าไกลจากโสมภากรไกลจากโมหะไกลจากโทสักเราไม่ใกล้กับมานะไอ้พระพุทธเจ้าไกลจากมานะ เราม่ใกล้ตับทิฏฐิวิจิกิชาเป็นตัวเราเนี้ยก็อมัสาัญญานืกิเลสแตเราม่ใกล้กันท่พุทธเจ้าไกลทัาพุทธเจ้ามีาาต่างอยู่ราหมดพุทธเจ้าคึงมีนามว่าหากระไปภูไก่แสงไก่ไม่ใช่ใจธรรมดาเนี่ยไกลแสงไก่ชน้ดที่กิเลสกับพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นคนเรที่ทางเลยไม่โวนกลับมาหากันพระรพุทธเจ้าต่างเลยดาอคความเป็นธานหันของกูก้มียธาตเจ้าเนีย่ยนอกจากไกลจากกิเลสแล้วเย ยังไกลาจากว่าศาสนาคือคิเลสหมดโอกาสที่จะไปย่ำมีพระพุทธเจา้าแล้วพระพุทธเจา้ามันห่างไกลยังไม่มีว่าศาสนาเอ้คําว่าศาสนาเนี่ยโดยมากเราจะพูดกันนะว่าโอ้คนนั้นมีว่าสนามากใช่ไหมหรืคนนี้มีว่าสนาคนนี้ไม่มีว่าสนาแต่ในทางธรรมานี่นะว่าสนาเขาแปลไปสองความหมาย วาสนาที่พูดถึงนี่พี่พระพุทธเจ้าทรงรักได้นี่หมายถึงความเคยชินที่กระดีน เ, นเรียนวาสนาที่ใช้ในภาษาไทยหมายถึงบุญบรารมีหรือหมายถึงกุศลที่ได้ทําได้ ร, ร, รักลาภได้รับเก็ยรติยอเที่ยงเสียงนั้นเป็นว่าสนาขางโลกแต่ในทางธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทแห่งพุทธคุณเนี่ยคำว่าวาสนาก็ปแปลว่าเครื่องปุนแต่งหรือปแปลว่าปุถุนสัยหรบุญบาปที่อบรมมา พโมคลานาะเตระได้แสดงวิเคราะห์ศัพท์ไว้บอกว่าวาสัสยาเตติวาวาชนนั้นนะครับุญหรือบาปที่เขาอบรมมาเชี่ยววัฒนาเพราะฉะนั้นคําว่าวัสนาในที่นี้ยังหมายถึงความประพฤติซึ่งเติดมาแต่อดีตหรือความประพฤติที่ติดมาจนเคยชินเนี่ยฉะนั้นถ้าอารหันต์บางท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถละกิเลสได้แล้วก็จริงแต่ความประพฤติทางกายทวาจาของท่าน ยังเหมือนกับบุคคลมีเกล็เช่นภาคพิรินนวัจฉ์เสราเนี่ยมักจะเรียกผู้อื่นว่าเจ้าคนถอยใช่ไหมเออเวลาท่านจะพูดถึงไทยเนี่ยท่าจะบอกเออเจ้าคนถอยไปนี้มานั่นจะมีคําว่าเจ้าคนถอยเจ้าคนถอยเหมือนคนทุกวันในเวลาจะพูดอะไรไครต้องมีคําด่าก่อนมีคําว่าไออ่อนแล้วเขาถึงมามาว่าที่นี้ย ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นวาสนาเพราะท่านเคยเกิดเป็นคามร่ำดวยเงียบง่าวาสนามาหลายร้อยชาติหรือนีโดยตัวอย่างว่าท่านภาษาดิบุตรเมื่อเดินทางน้ําทางน้ําเล็กๆท่านเป็นจักรโดดทั้งที่ปกติแล้วท่านเป็นผ้าหแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไดีลชาติและภาษาดิบุตรเคยเกิดเป็นพยาวานมนมาหลายร้อยชาติ เพราะฉะนั้นมาในชาติสุดท้ายถึงแม้จะบรรลุเป็นพาาระอรหันต์หมดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้วาสน า, าความประพฤตทางตายทางวิาจารบงอย่างที่เคยชินเนี่ยสิ่งเหล่าที้หลงเหลืออยู่ในขันธ์สันดานไปถุกปฏิสัยของพระอรหันต์อันนี้เขาเรียกว่าวาสนาแต่สําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากพระองค์จะสามารถกําจัดย่งมีสัพพะกิเลทั้งหมดไปได้แล้วเนี่ยพระ อ, องค์ยังสามารถทําลายวาสนาอันเป็นโทษเหล่านั้นได้โดยประการที่หก เพราะเหตุนั้น พ, ร, พนระพุทธเจ้าจึงมีพระนากวเป็นป้าทหารเป็นผู้ไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาก็าใจย่อ้สองนี้คำว่าแต่ละข้ า, านี่เป็นผู้ไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยเออมี พ, พระพุทธเจ้าเท่านั้นทหารสาววกเนี่ยไกลาจากกิเลสได้แต่ไม่ไกลยังวาสนายังมีวาสนาติดตามอยู่แต่อย่างเรานี่มีทั้งกิเลสมีทั้งวาสนา<ม>ตเต็มเตี่ยมเลยนี่ชนี้ที่ว่า คําบางคำความบกพร่างกายบางอย่างที่มันตะพื้นออกมายนเคยชินเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสเขาเรียกว่าจนความเคยชินก็เป็ น, เ ป, นเป็นวัตถุด้วยเหตุนั้นอาจารต์ิดทั้งหลายที่สารเสด็จพรพุองค์จริงตามบอกว่าอากาศที่แย่กู้ไกลที่จริงคําว่าอาเนี่ยอาเนเป็ น, เ ป, นเป็นทีฆเคือเสียงยาว ท่านก็ทําให้เป็นรักษาคือเป็นเสียงอา่านใช่ไหมเหมือนคำว่าอา่าส่วนรักอักษร น, นั้นแหะคงเดินกันไว้ก็ทำตาก อ, อักษรให้เป็นหันอักษรแล้วก็มีนี่แค่หิตก็สาเร็จเป็นอาราห์ฉะนั้นอาราห์ในในยุทธติในก็คือหลักของภาษามาพจนเวลาเราสวดกันว่าอาราห์ที่จริงศัพท์เดินก็มาเรียกว่าอารักกาเนะมายถึงว่าอารกะาฉะนั้น เข uh, um. ้อมาทำอะไรให้เป็นอ่านคือจากพีพักเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นแต่เวลาสวดก็เออเวลาไปสวดกันเนี่ยเดิมากเราจะจะ่าไปอย่าไปสวดคําว่าอลาหันึงแต่ว่าเราก็จะพูดกันว่าเป็นพักอลาห์ต้องใช้คําว่าอลาห์นี่ไงเข้าใจมั้ยมึงดีชาวพูดเลยทุกที ้อยทั้ง้อยไปดาวก็มีเขเรียกอะไรเรียกอลาคือถ้าเรียกให้ถูกก็เรียกว่าอลาอา ร, าอาราานั้ัดเลยในบทแรกในบทที่สองมาจะคำว่าอาริณังระหัตาปิอารานเป็นท่ า, าทนาจ า, ารตทรงกำจัดอวิชกิเลสเจอยได้ อาริอาริเนี่ยแปวกิเนในบทบทนี้นะคำว่าอารเนี่ยทำราไอทงเป็นต้าอรหันต์ก็จะกำจัดอารีคือกิเลสในคาว่าอารีเขแปลว่าฆ่าสิถ้าสิได้แก่กิเลสทั้งหลายนั่นการที่กิเลสทั้งหลายมีราค่าโทจาโมหะม า, า น, นั่ที่จีวิจิขาเป็นต้นเหล่านี้ อันนี้ชื่อว่าอาริเป็นคนคนนี้เป็นอารีกับเราเีหยถ้าเป็นอารีก็แปลว่าเป็นท่าศึกกับเราใครเป็นอารีกับเราคนคนนั้นก็จะเป็นท่าศึกกับเราแต่จริงๆแล้วนะะสิ่งที่เป็นท่าศึกต่อสากโลกเนี่ยก็คือจิเลสฉะนั้นจิเลสเนี่ยเป็นอารีถ้าบอกว่าเราอยากจะเป็นรองเท้าจับศึกเนี่ยกับบุคคลอื่นนะ่ยอันนั้นมันไม่ชัด ชื่อว่ารบแล้วมันไม่ชนะเด็วก็กลายเป็นผู้แพ้ อ, อ ย, ยู่ร่างไปถ้าเราจะไปฆ่าเขาตายแต่เราก็กลายเป็นผู้แพ้เพราะเราแพ้กิเลสแต่อาริโดยสัตว์หมายถึงแปลว่าฆ่าสุดฆ่าสุดในที่นั้นเป็นชื่อของกิเลสทาไมราคาโทสมโมหหมานะพิถีวิจิปชาอินิากาโทตตะปาถอุทะจกกักจิงจับว่าเป็นอาริหรือจกกิงจับว่าเป็นอาริทาไมจิ้งจับว่าเป็นฆ่าสึดเพราะเป็นเหตุนําไปสู่ความหายยนะ้ ด้วยความไหเดนะทั้งหลายความวิบากทั้งหลายเนี่ยนะใครเป็นคนทาให้เรากิเลสฉะนั้นกิเลสเนี่ยวันนี้มีเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเดืก็ดาลละพวงเลยนะราคะเนี่ยเป็นอริเป็นฆาสุทธะสาวจะเป็นขฆาสึทโมหะก็เป็นฆาสึกมานะทิฏฐิวิจิฏฐิฉาอหิวิกาอนุตตะปาอุระจา่งเเป็น้าสึทเป็นอริเพราะอะไรเพราะเขากป็เหตุนำไปสู่ความไปสุไหเดนะ เป็นเหตุนำไปสู่อบายทุกขติมีบาสนรกเป็นเหตุนําไปสู่กรมภูมิรูปภูมิวรูปภูมิเป็นเหตุนําไปสู่ทุกข์ในสงสารวัตอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเป็นเหตุนําไปสู่อะไรนะด้วยเหตุนั้นนะกิเลสาริใช่ไหมท่าเรียกว่าอะไรท่าเรียกกิเลสาริคาว่ากิเลสาริคําว่าอาริคือกิเลสนะเพราะพระุทธเจ้าทรงกจัดกิเลสเหานี้เสียได้ด้วยสัตว์ประวุ สักราวุทีพระพุทธเจ้ามาใช้กำจัดอันนี้คือที่เมตก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าเวลาเราสวดธรรมจักปรปะวัฏณะสวนพรยพุทธเจ้าใช้คำว่อาอะไรจักขงอุตตปาทินะ ย, ยานอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตาทิอาโลโปอุปาิจักขุเกิดขึ้นแล้ว ยาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินนิสัยว่าทุกสมุทัยอริยสัจเป็นธรรมที่ควรรรู้ควรกำหนดรู้ไปตั้งแต่นั้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงกำจัดกิเลสสาวีิอัริคือกิเลสคือด้วยด้วยด้วยสตราวุฒิพระเจ้าเมรุวุฒิคือปัญญาวุฒิ ด้วยเหตุนนะั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ได้บทว่าอระราหัลประกัศอา ร, จริจะได้ท่านก็ ก, กล่าวว่าพระราหัโดยมีรถปินในแงภาษารอมก็ถือได้เลยง่ายด้วยความที่ได้กล่าวมันนี่บทที่สองคำว่า อ, อาริประการต่อมาราณุราหัตตาปีราหัลทรงเป็นพระราหัลก็ทรงทาลายอารอาร ไม่ใช่อาราห์นะนี้าอาระอ้ อ, อ, อา่านรล้อเรือส า, าระนี่นะอาระในที่นี้เขาแปลว่าซี่กัมคําว่าอาระเขาแปลว่าซี่ของล้อรถหรือเกวียนเวลาถ้ยมที่โบราณโบราณหน่อยอายุมากๆลงรอรถงถ้พูดถึงลรอรถเนี่ยเข้าใจเลยพูดถึงซี่กัมเราเขา้าใจคือซี่ของล้อรถเนะี่ยหรือเกวียนเนะี่ยซี่ ก, กัมการอธิบายว่า การเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายของรูปนามขันห้าคือกระแสของขันเนี่ยยกตัวอยา่างเช่นว่าวิถีจิตของเราเนี่ยมันไม่ขาดทางจากขุทวารละวิถีโสตตวารละวิถีฐ า, า, านะทวารลวิถีจิวหาทวารลวิถีกายยะทวารลวิถีเมโนตวาระวิถีเนี่ยที่มันเกิดจับติด ต, ต่อกันโดยไม่ขาดสายใช่หมเสร็จแา้วก็ลบอยู่ในขวางความเยื่ละมั่นเข้ามาแล้วขึ้น รักอ า, ารมณ์เพอราะอารมณ์นั้นหมดตกลงกระแสเมวานถ้าดางใจกับน้องไม่ถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างเป็นต้เนเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความเกิดขึ้นเป็นไปติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายต้องนำรูปนำหน้าอันนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าสังสารวัตเรียกว่าสังสารวัชจักเท้าแับว่าล้อคือสังสารวัตฉะนั้นการเยียนว่าการเกิดท่านเรียกว่าสังสารวัตสังสารวัตนี้ท่านเปรียบเสมือนล้อรถที่หมุนไปตาม การทำอุปมาที่หอวล้อรถที่ว่ามันนี้ประกอบไปด้วยดุมล้อนี่อย่างดุมล้อแต่คนโบราณจะรู้จักดุมล้อเนี่ยดุมล้อในที่นี้เขาเปรียบเหมือนอวิชาคือการไม่รู้และก็เพราะว่าตระหนักความมีดีพอใจในภพเป็นองค์ประกอบที่สําคัญความเป็นมูลรากของวัตตนั้นที่นี่สี่กรมเนี่ยที่เชื่อมดุมล้อกับโครงล้ อ, น, อ, กก น, อนั่นคือซี่กัมของรอ้ไะ ไอ้ซีกามเนี่ยมันจะเชื่อมดุมกับกับกงกงล้อนอกทีนี้อีกตัวสีกามที่เชื่อมดุมล้อกับกงล้อเนี่ยเปรียบเสมือนอภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งตกแต่งให้ให้เกิดบุญบ้างเกิดบาปบ้างนี่ไงทั้งปัญยาอภิสังขารแต่ปุญญาอภิสังขารและอันเนยญาอภิสังขารเนี่ย อุปศนที่ตกแต่งให้เป็นเกิดใ้สุคติภูมิมั่งทุคติภูมิเป็นต้นบ้างนะซึ่งเชื่อมเอาวิชาพาะวัฒสนาเข้าด้วยกันส่วนโคงรงล้อของรถนั้นเปรียบเสมือนชราเรืองอะไรนะโดยมีเทาเทาที่อยู่ตรงกลางเนหมือนอาตวะธรรมชาติที่ทาให้วัตถุทุกยาวนานโดยที่มีตํงางหมดเนี่ยนะมีโลภได้พิธิคือความมีที่ผิดเป็นต้นฉะนั้นธรรมดาเราประกอบของรงล้อมีการเชื่อมการประกอบกันในสังสารวัฏก็เช่นนั้น่ะ มีอวิชชาและปัญหาเชื่อมต่อกับอภิสังขารคือปุญญาที่สังขารนะปัญญาที่สังขารนะเรีนญาที่สังขารเนี่ยอันเป็นปัจจัยสัมพันธ์เข้าไว้แต่ชราและมรณะอันเป็นผลฉะนั้นอภิสังขาร น, นั้นจึงเป็นเสมือนสี่การที่เชื่อมดุงเข้ากับล้อรถและมีอาสวะติด เ, เทาสอดเข้าแล้วก็ประกอบไว้อยู่ประกอบไว้ที่ล้ะะทอที่รถก็คือว่าพบสามเลยคือตามลูกพบลูปกบพบได้วก็อลรกกับพบ พระพุทธเจ้าประตรงใช้อะไรใช่วิริยะของพระ อ, องค์อันเป็นไปด้วยการสองคือป้องกันทำทั้งหลายที่เป็นไปนในฝ่ายในความเช้าหมองและตั้งลงในทำที่เป็นปก่ายความสองแทร่พระเจ้าเวลาถามพระ อ, องค์บอกเป็นวิริยะประมัมมีเป็นต้นอะไรหรือเพราะเป็นสมมติฐานความเพียรเนี่ยเพียรวนหนึ่งก็คือว่าเพียรไม่ให้บาปเกิด เทียนไปมันก็ถือป้องกันบาคละบาสีนี้เป็นต้นเลยนะเทียนมีฝ่ายมันก็ถือเจริญกุศลตัวรักษาคุศลตั้งลงในธรรมทั้งหลายที่เป็นต่อฝ่ายความมองแค้วก็ยืนอยู่บนประเพณีประเพณีในที่นี้นเป็นชื่อของศีสีเนี่ยจะเป็นคาที่เป็นเครื่องรองรับกุศลธรรมนี่คือศีลเนี่ยอย่างเช่นว่าเป็นอุ ป, ปการะรณะหมายความว่าเป็นเป็นเครื่องรองรับกุศลและธรรมแน่นอนเช่น สมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าสีนไม่เป็นฐานรองรับอย่นีฉะนั้นคำบอกว่าสมาธิและปัญญานั้นต้องมีสีนนั่นเองเป็นฐานรองรับแล้วก็ตรงใช้ผ้าหักคือศรัทธาเพราะศรัทธานั้นเป็นเปรียบเสมือนมือในการถือเอากุศลและทำทั้งหลายที่ปรประจาโทษก็ตรงจับขวานคือปัญญา หมายถึงมารถปัญญาที่รับไปดีแล้วบนหินคือสมาธิแล้วก็ทาําความสิ้นไปอีกคำเชื่อว่าได้ทาลายสี่กรรมแม้ทั้งหมดแห่งสัมสารวัตรั้นเสียได้น้าดินแดนที่ศัตรูที่พระพุทธเจ้ า, จาทรงกําจัดอารักษือทำลายสี่กรรมนั้นเสียได้ฉะนั้นพระองค์จึงได้รับ ก, การขนานขนานมาทรงเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ที่มีความบริบูรณ์แห่งภาวนาในนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกกำจกัดอารักือสี่กรรมเสร็จ โดยสรุปตังนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกุศลกรรมหรออกุศลกรรมเยนะเพราะใครก็แด้แต่ที่ยังทําบุญและทําบาปอยู่บุญบาปนี่ก็จะเป็นปัจจัยทําให้บุคคลเหล่านั้นเน่ะไหลเรี่นอนไปในปุกติภูมิบ้างสุกติภูมิบ้างแต่พระองค์ไม่ต้องจับอัลลา์ก็คือสี่กรรมนีในสัมสาระจับได้เลยเช่นพวกก็ผลจากกรรมยินว่าใจมีเขาเรียกว่าตรงรับแจับสังสาระจับนั่นเองนังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในคำสอนที่บอกว่าท่นทานนางปฏิปฏิจารทานถูกอยายตนะนาจารอโพตชินนางวัตมานาสังสารโรติปูจจติพระดักแหขันท่ากายตนะที่เป็นไปอยู่ใม่ขาดสายเรียกว่าสงสารเราบอกอเุเจหนา้าคนนี้เราสงสารในเกินแท้ที่จริงก็คือเป็นความเกิดขึ้นสืบต่อกันไม่ขาดสายของขันท่ากายตนะนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้ ประการต่อมาก็คือปฏิยาธีทงางก า, ารตา่างๆทรงเป็นพระอรหันต์ก็ทรงเป็นผู้ควรแก่ทักษิณเดียวก็เดืดดูสักตงนี้ต่างหนเป็นผู้ควรควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยและสการ์ลเป็นต้นคําว่าทักษิณาทานหมายถึงทานที่บุคคลให้ใหนน้มีมีเขาบอกว่ามีความเชื่อในโลกโลกนี้โลกหน้าเชื่อในกรรมและผลของกรรมก็สําหรับผู้ที่จะมารับทานนั้นท่านเรียกว่าทักษินานยะบุคคล ทีนี้บุคคลที่ควรรักทักทินทายธรรมเนี่ยนะแต่เวลาทักทินยะบุคคลต่างหลายนั้นเนี่ยทักทินยะบุคคลที่ยอดเยี่ยมกว่าศัสดากว่าพระพุทธเจ้ามันี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามูนเป็นอัครราชักทินยายยะบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดทรงจําแนกแล้วก็คงควรแก่ปัจจัยสี่คือถามแค่เรามีโเนี่ย ล้วคนบูชาคนถวายให้คนถวายพุทธเจ้าอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโลกเป็นต้นทรงบอกว่าสิ่งที่คนจะทำที่สุดก็คือควรบูชาพระพุทธเจ้าพอเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสมุบัตรขึ้นในโลกเทวดาลัคนุทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็จะเลิกทำการบูชาในบุคคลอื่นแล้วอันมาบูชาพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากเช่น เท้ามหาคมได้บูชาพระเจ้าเป็นลักษณะขนาดใหญ่เข้ากับภูเขาสินเนรลแมธีวดาทั้งหลายมีเท้าสกัดเป็นต้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอรสิทธิโกศเป็นต้นล้วนแต่บูชาพระพุทธเจ้าเป็นเพีนั้นถ้าเราดูในระาะหลังๆนี่นี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าทรงมหาราภเนี่ยสร้างซากเก้าสิกโกดสั่งให้สร้างวิหารคือว่าพระเจ้าทรงไปสร้างวัดมากที่สุดไง สร้างวัดแกดหมือนสี่พันวัดทั่วชมพูทองวิปุทธวายเลยพระพุทธเจ้าต้องมีเทวดาอยู่อยู่ตนหนึ่งในคำพิจารณาตระกาศในทีในทีขัณฑการตอนที่พระพุทธเจ้าจับอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ไปร้อยดวงวิญญาคือต้องการที่จะร้อยดองวิญญาณถวายพระพุทธเจ้าเอาพอมองอีกทีพระพุทธเจ้าประสูติแล้วยังไม่ทันเสร็จ ต่อมาพูดให้เจ้าแต่งไอ้ทรงแต่งงานทรงออกบวชทรงตัดสตะ่างเงยยังไม่เสร็จจนถึงทงก็จนไเยอะสงารจนถึงวันพระเจ้าปรนี้มาทงอะไรพวงนันยัง้อมเสจแสดงาใหญ่มากแต่ก็เลยเอามามาบูจาไว้ที่ขอบจาล้านนั้นถ้าว่าในสมัยยังโธกาณดีน้ยานา่าที่กาเศดสิเซตตอเนี้ยสลัทซับมาเยอะแยะหมด ฉนั้นพระเจ้าสมานราชเกิดสร้างวัดแตกหนึ่ ง, งสี่พันวัดพวกชมพูเสวีถวายพระเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จจากพันธุ์พิชางแล้วเนี่ยไปทั้งหลายร้อยปีก็ตามฉะนั้นจะปวดกล่าวปัญยาถึนการบูชาพิเศษที่ยิ่งใหญ่โอราณอื่นๆซึ่งพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่ต่างพากันทำการบูชาแล้วเพราะความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาวุธเขาปแปลว่าผู้ควรแก่ทักษิณายวัตุทั้งหลาย ท่านพทธเจ้ควรแก่ปัจจัยสี่จรงได้รับการขนานว่าอารหังเป็นเป็นพระหังก็เหมาะเหมาะสมแก่ความหมายก็หมายความว่าแก่การที่เรามีปัจจัยทั้งหลายเขบอกว่าเป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยด้วยส ก, การะเป็นต้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายตรงนี้แล้วเนี่ย เ, ยเวลาเราจะบูชาใครต้องมีปีกผู้พุทธเจ้า เพราะพเจ้าเป็นผูกควร ค, คุณเจ้เป็นผู้มีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณมีมุติคุณมีมุติญาณและทัศนคุณอย่างสูงสุดฉะนั้นเราตั้งกระแสจิตเราไว้ในการที่จะบูชาพระองค์ก็จะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ครบชมูล ม, มีการรยฐาอนอะไรจ่ายฐาน แต่ว่า <Rs> น่าสนใจตรงมุมนี้นะ